บทที่แปดสิบอำลาญาตโยมเช้าตรู่ของวันที่ส4ตุลาคมพุทธศักราชขณะที่ท่านพระครูกำลังกำหนดจิตออกจากผลสมาบัติเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นใกลห้หูวันนี้ใช้นี่นกกระา ท่านตอบในใจว่ารู้แล้วเมื่อหกเดือนก่อนก็มาเตือนครั้งหนึ่งแล้วและยังไม่ทันจะลืมตาเสียงเดิมก็บอกอีกว่าใช้หนี้เต่าด้วยใช้ไปแล้วายใช้ไปเมื่อวันที่14ตุลาคม2514ทําทำไมถึงมาทวงอีกท่านยังจำได้แม้เหตุการณ์ที่ผ่านมาถึงเจ็ดปีเต็ม วันนั้นใช้แค่เงินต้นแต่วันนี้จะต้องคิดดอกเบี้ยเป็นอันว่าวันนี้ใช้สองงานเลยก็ดีจะได้หมดหนี้หมดสินจากนั้นท่านจึงตั้งจิตแผ่เมตตาไปยังสัพพสัตว์และเจ้ากรรมนายเวรโดยเฉพาะนกกระสาฝูงนั้นกับเต่าอีกเจ็ดตัวที่รับจ้างเขาต้มเสร็จกิจ ด, ดังกล่าวจึงลงไปสงน้ำแปลงฟัน แล้วออกบินทบาตโปรดสัตว์โดยมีนายสมชายยิ้วปินโตเดินตามหลังโยมอาตมาขอขอบใจที่ใส่บาทให้ฉันมานานวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายเพราะเวลาเที่ยงยี่สิบห้าอาตมาจะได้รับอุบัติเหตุรถคว่มคอหักตายมาบินทบาทไม่ได้อีกขอให้ยอดโยมจะมีความสุขความเจริญนะโยมนะ ท่านจะพูดเช่นนี้กับผู้ที่มาใส่บาตรทุกคนหลายคนเชื่อและรู้สึกเสียใจที่จะไม่ได้พบเห็นท่านอีกแต่บางคนก็คิดว่าหลวงพ่อวัดป่ามะม่วงท่าจะเพียเ้ยนซะแล้วมีอย่างที่ไหนมาบอกว่าจะตายในวันนี้ใครเราจะรู้วันตายของตัวเองพี่กลนแท้ๆกลับจากบินทบาทโปรดสัตย์ ท่านฉันพัตาหารแล้วจึงจดบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนเช้าเสียงที่มาเตือนนั้นถูกท่านบันทึกไว้ทุกถ้อยคำเสร็จแล้วจึงลงมือรับแขกที่กุฏิชั้นล่างประโยคแรกที่พูดกับพวกเขาก็คือต่อไปนี้ญาติโยมต้องช่วยตัวเองแล้วนะพระพุทธองค์ตรัสสอนว่าอัตติอัตโนนาโถโก หิตนาโูปะโรยาตนแลเป็นที่พึ่งของตนใครเรล่าจะเป็นที่พึ่งให้คนอื่นได้อาตมาเองก็จะไปในวันนี้แล้วหลวงพ่อจะไปไหนคะสตรีผู้หนึ่งถามไปตายท่านเจ้าของกุฏิตอบยิ้มยิ้มหลวงพ่อพูดอย่างนี้ลูกศิษย์ลูกหาใจฟอร์หมดอย่าพูดเล่นอย่างนั้นเลยครับผมขอร้อง บุรุษผู้มาถึงเป็นคนแรกเข้าใจว่าท่านพูดเล่นอัตมาพูดจริงๆนะเมื่อเช้ามืดเจ้ากรรมนายเวนเขาก็มาทวงแล้วอัตมาเคยหักคอนกเป็นสิบสิ บ, สบตัวแล้วก็รับจ้างต้มเตาวันนี้เที่ยงยี่สิบห้าต้องรถความคอหักตายคนฟังพากันตระหนกสตรีไวกลางคนแนะนำว่าถ้าอย่างนั้นหลวงพ่อก็อย่าออกไปไหนสิคะ อย่าไปขึ้นรถจะได้ไม่ต้องรถความทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกโยมนี่จะมาแนะนำให้อัตมากโกงซะแล้วโกงใครไม่โกงจะให้โกงกฎแห่งกรรมอัตมาทาไม่ได้หรอกโยมและหลวงพ่อไม่เสียใจไม่เสียดายชีวิตหรอกครับบุรุษอีกผู้หนึ่งถามเสียดายไปทำไมเหล่าโยมคนที่เสียดายชีวิต แสดงว่าเขายังไม่เข้าใจถึงคติความตายการตายก็เป็นการย้ายบ้านคนที่ทำกรรมดีไว้มากก็จะได้ย้ายไปอยู่ในบ้านที่ดีกว่าหลังเกา่าคือสะดวกสบายกว่าแต่คนทำชั่วก็อาจจะต้องย้ายไปอยู่ในบ้านนรกสําหรับอาตมาคงจะไปอยู่ที่บ้านดีกว่านี้จะนอนตื่นสักเที่ยงวันเพราะไม่ต้องลงมารับแขก คราวนี้คนฟังหัวเราะแล้วกันมาหัวเราะเยาะกันเสแล้วในอาตมาพูดจริงๆนะบ้านนี้หาความสุขไม่ได้เลยต้องทำงานหนักแสนหนักจนแทบไม่เวลาจะกินจะนอนหนูไม่เคยเห็นใครเป็นแบบหลวงพ่อเลยค่ะหญิงสาวอายุน้อยที่สุดพูดขนาดรู้ว่าจะต้องตายแทนที่จะเศร้าโศกเสียใจกลับทำหน้า ที่ได้ตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่พูดอย่างนี้ก็แสดงว่ายังไม่เข้าใจอุตสาห์เปรียบเทียบให้ฟังก่อนแล้วเอาอย่างนี้นะสมมติว่าหลวงพ่อเป็นข้าราชการชั้นโทและอีกสองสามชั่วโมงข้างหน้าเขาจะเลื่อนให้เป็นชั้นเอกหลวงพ่อต้องมานั่งเศร้าโศกเสียใจหรือเปล่ารู้ตอบมาสิหลวงพ่อจะแน่ใจได้อย่างไรล่ะคะ เขาอาจจะลดลงเป็นขั้นชั้นตรีก็ได้หญิงสาวอย่างครางแครงไม่ต้องห่วงหรอกหนูหลวงพ่อรับรองว่าไม่เป็นอย่างที่หนูคิดถ้าหนูอยากรู้จริงๆก็ต้องมาเข้ากรรมฐานปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเมื่อใด้เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริง เมื่อ น, นั้นความลังเลสงสัยจะหมดไปก็ลลสสหวลวงพ่อจะไปแล้วใครจะมาสอนหนูละคะหลวงพ่อมีตัวแทนที่สามารถทําหน้าที่แทนหลวงพ่อได้ทุกอย่างหรือเปล่าคะไม่มีหรอกหนูถ้าจะให้หาแบบนั้นหาไม่ได้แนะ่เพราะไม่มีใครจะเหมือนกันไปหมดทุกอย่างแม้แต่ฟ้าแฝดที่มีหน้าที่เหมือนกันจิตใจยังต่างกัน ถ้าเป็นอย่างนั้นคงไม่มีใครมาวัดนี้อีกที่เข้ามาก็เพราะศรัทธาในตัวหลวงพ่อไม่มีหลวงพ่อเสียแล้วหนูเองก็คงไม่มาหนูพูดจริงๆนะคะหนูอย่าไปยึดติดที่ตัวบุคคลเสีจะ้ะการเข้าวัดก็เพื่อมาสแสวงหาธรรมแต่บางคนเข้าวัดเพราะไปชอบสมพานยิ่งสมพานนมนมโอ้โสาวแก่แม่มหม่ติดกันเกลียวเลย แบบนี้รับรองไม่ได้บุญเอาละถึงแม้จะไม่มีอาตมาอยู่ในวัดนี้อีกต่อไปญาติโยมก็ควรจะมาเข้ากรรมาฐานหอประชุมมีพร้อมแล้วคนสอนก็มีแล้วคือพระบัวเหี่ยวแล้วท่านก็สามารถเข้าผลสมาบัติได้ซึ่งแปลว่าท่านมีคุณธรรมสูงที่จะสอนคนอื่นๆท่านแจ้งให้ญาติโยมทราบเกี่ยวกับพระบัวเหียว แสดงว่าท่านเป็นพระอริยบุคคลใช่ไหมครูงพ่อพระผู้ที่จะเข้าผลสมาบัติได้จะต้องเป็นพระอริยบุคคลผมว่าอย่างน้อยๆท่านต้องเป็นพระโสดาบันใช่ไหมครับชายหนุ่มถามก็คงจะเป็นอย่างนั้นถ้าเช่นนั้นผมจะมาเรียนกรรมฐานกับท่านผมแสวงหาพระอริยบุคคลมานานแล้วขอกราบเรียนตามตรงว่าผมเริ่มจะเบื่อพระ เพราะเจอแต่ประเภทที่สอนเก่งแต่ปฏิบัติไม่ได้อย่างเช่นพระรูปหนึ่งที่ผมเคยศรัทธาท่านมากหากเอ่ยชื่อผมว่าใครๆก็รู้จักท่านสอนเก่งสอนออกวิทยุกระจายเสียงทุกวันแต่เบื้องหลังชั่วร้ายอย่าบอกใครเปลอะไปหมดทั้งเรื่องเล่าเรื่องผู้หญิงเห็นว่าท่านมีเงินเป็นร้อยร้อยล้านแต่ผมเชื่อว่า เงินช่วยให้ท่านพ้นจากขุมนรกไม่ได้แน่นับวันพระประเภทนี้จะมีมากขึ้นนะครับแม้จะรู้ว่าบุรุษนั้นพูดความจริงหากท่านพระครูก็จำต้องวางอุเบกขาท่านพูดตัดบทว่ากรรมของเขาในโยมอย่าไปสนใจเรื่องของคนอื่นเลยพระพุทธเจ้าสอนสติปัฏฐานสี่ให้พิจารณากายเวทนาจิตธรรมซึ่งล้วนแต่อยู่ในตัวของเราทั้งสิ้น อย่าเอาเรื่องนอกตัวเข้ามาแค่แบกขันห้าของตัวเองก็ทุกพอแล้วอย่าเอาขันห้าของคนอื่นมาแบกอีกเลยขันห้าหนักพอแล้วอย่าไปเอาสิบขันเลยท่านเปรียบเทียบแบบตลกๆยังผลให้คนฟังอมยิม้มวันนี้หลวงพ่อไม่ไปไหนหรอคะสตรีวัยกลางคนถามขึ้นไปบรรยายทำที่วัด กวิสาวารารามจังหวัดลบบุรีเขาจะส่งรถมารับท่านพระครูตอบในสมชายไม่ได้ทำกรรมมากับท่านจึงไม่ต้องไปร่วมชะตากรรมในครั้งนี้เวลา11บอดนาฬิกานายแพทย์สมมิ่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดพาครอบครัวมาถวายพัะทหารเพนแด่พระภิกษุสมเรนรที่วัดป่ามะม่วง เขาไม่ได้นิมนต์ท่านไว้ล่วงหน้าโดยต้องการจะให้เป็นสังฆทานอย่างสมบูรณ์แบบจะอาวัตรวัดป่ามะม่วงฉันพัทหารได้มากกว่าทุกครั้งยังผลให้ญาติโยมปลาบปลื้มใจเพราะปรากฏการณ์เช่นนี้ไม่เคยมีมาก่อนฉันเสร็จท่านก็ถือโอกาสแสดงพระธรรมเทศนาเพราะต้องการสมเคราะห์ญาติโยมเป็นครั้งสุดท้ายโยมผู้หญิงคนหนึ่ง แอบนินทาว่าท่านว่าแมมหลวงพ่อท่านไม่ยอมหายใจทิ้งเลยนะทุกเวลานาทีของท่านจึงมีค่าเสียจริงแม้จา ก, กระสิบเบาๆหากผู้ถูกนินทาก็ได้ยินท่านพูดลอยๆขึ้นว่าคนที่หายใจทิ้งก็เป็นคนไม่มีประโยชน์ไม่สมควรจะมีชีวิตอยู่เปลืองออกซิเจนเปล่าๆคนฟังพากันยิ้มทั้งที่ ในอกส่วนแสนเศร้าด้รู้ว่าอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าพวกเขาจะต้องสูญเสียปูชนียบุคคลเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดแม้จะเป็นการเทศครั้งสุดท้ายหากคนฟังก็ไม่ได้ตั้งใจฟังเท่าที่ควร้วยมัวกังวลกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเทศจบท่านพระครูบอกญาติโยมว่าเดี๋ยวอาตมาจะต้องไปบรรยายธรรมที่วัดกวิ แต่จะไปไม่ถึงเพราะจะเกิดอุบัติเหตุรถชนคอหักตายเวลาเที่ยงสี่สิบห้าอัตมาตั้งใจจะออกจากวัดเที่ยงครึ่งจะได้ไม่ต้องไปตายไกลวัดเขาจะได้เอาศพกลับมาได้สะดวกท่านพูดด้วยสีหน้าท่าทางปกติ อยากรู้ไม่ว่าทาไมอาตมาต้องตายในวันนี้ท่านถามไม่มีผู้ใดให้คำตอบด้วยต่างก็ทำใจไม่ได้ทั้งสงสารทั้งเสียดายปูชนียบุคคลเช่นท่านเอาละไม่อยากรู้ก็ไม่เป็นไรแต่อาตมาอยากเล่าอยากยมจะได้เก็บไปคิดเป็นการบ้านจะได้เชื่อว่ากรรมเว น, นั้นมีจริง เห็นคนฟังหน้าตาเศร้าส้อยท่านจึงพูดขึ้นว่าญาติโยมที่รักทั้งหลายคนที่กำลังจะตายคืออาตมานะไม่ใช่ญาติโยมทำไมต้องทำหน้าหมดอะไรตา ย, ยากกันอย่างนั้นสตรีวัยกลางคนถึงกับปล่อยโฮพูดละล่ำละลักว่าถ้าอีฉั้นตายแทนหลวงพ่อได้อีฉันก็ยอมตายจริงๆชีวิตอีฉันหาประโยชน์ไม่ได้ อยู่ไปก็เปลืองออกซิเจนอย่างหลวงพ่อว่าท่านพระครูยิ้มเพราะขำในถ่อยคำของหล่อนคนอื่นๆก็ทำหน้าปันยากจะยิ้มก็ไม่ใช่จะร้องไห้ก็ไม่เชิงเอาละเอาละขอบใจที่จะตายแทนอาตมาแม้ว่าจะเป็นไปไม่ได้ทำกรรมแทนกันไม่ได้หรอกโยมที่อาตมาต้องตายในวันนี้ก็เพราะกรรมที่เคยหักคอนก กับรับจ้างต้มเตาตอนยิงนกนั่นอยู่มัธยมสามอยู่กับยายเวลาไปโรงเรียนก็ไม่เข้าเรียนแต่นี้ครูไปเที่ยวยิงนกตกปลาแอบขโมยปืนแก๊ปของตาไปแล้วอาตมาก็มีความสามารถในการก่อาการรมทําเข็นมากเรียกว่าทําบาปขึ้นยิงปืนแม่นเปรี่ยงเดียวนกกระสาล่วงลงมาเป็นร้อยเลยใครอยากรู้เทคนิค การยิงเกาะมาถามได้เดี๋ยวอาตมาตายแล้วจะไม่มีใครบอกท่านพูดยิ้มยิ้มทว่าคนฟังกลับยิ้มไม่ออกไม่มีใครถามหรืองั้นอาตมาก็จะไม่บอกให้วิชานี่มันตายไปกับอาตมาก็แล้วกันท่านพูดเล่นเพราะหากมีผู้ถามขึ้นมาจริงๆท่านก็จะไม่บอกเพราะสมณะย่อมไม่แนะนําบุคคลไปในทางชั่ว ก็รวบรัดตัดใจความได้ว่าอาตมาเป็นแชมป์ยิงปืนแล้วอยู่มาวันหนึ่งก่อนนี้ไปยิงนกเอกพอลั่นไกลเปลี่ยงนกก็ร่วงลงมาทั้งฝูงแต่มีตัวหนึ่งมันไม่ยอมตายแค่ปีกหักบินไม่ได้ความรักชีวิตมันก็วิ่งหนีอาตมาก็วิ่งตามพอจับตัวมันได้ก็จิกมืออาตมาเลือดพุ่งเลยด้วยความโกรธอาตมาหักคอมันทันที แถมตลกหนังหัวมันอีกโดยตอนนั้นเป็นคนจิตใจโหดมากเสร็จแล้วก็โยนทิ้งมันยังดิ้นกระเดวกระดวแล้วคงจะอาฆาตพยาบาทอาตมา ก, กระทั่งมันสิ้นใจส่วนเรื่องต้มตานั้นทำตอนที่อยู่มัธยมหนึ่งแล้วก็ใช้หนีไปแล้วเมื่อวันที่สิบสี่ตุลาคมสอง4ันห้าแต่เจ้ากรรมนายเวรเขาบอกตอนนั้นมันแค่เงินต้น วันนี้เขาจะคิดดอกเบีย้ยแม้ขนาดใจหนีกรรมก็ยังต้องใช้ทั้งตนทั้งดอกนยโยมนะท่านหันไปพยักพเพยิดกับโยงคนหนึ่งแล้วเล่าต่อเรื่องมีอยู่ว่าพวกขี่มาเขาเกิดอยากจะกินเตาแกล้มเหล้าก็ไปซื้อเตาเล็กๆมาเจ็ดตัวแล้วก็จ้างอาตมาต้มให้ขาจ้างึงบาทบาทเดียวเองหรือค่าหลวงพ่อสตรีผู้หนึ่งถาม บาทเดียวหนาะมากแล้วนะโยมสมัยนั้นก๋วยเตี๋ยวชามละสามสตังเงินหนึ่งบาทซื้อก๋วยเตี๋ยวกินได้หนึ่งเดือนกับสามวันอาตมาเอาเงินเข้ามาแล้วก็ต้องจัดการก่อไฟเอาหม้อดินใบใหญ่ใส่น้ำขึ้นตั้งบนเตาพอน้ำเดือดก็เทเตาเจ็ดตัวลงไปเตามันก็ดินใหญ่คงจะสาเมาคีกันดินเพราะหม้อแตกเลย หมอดินแตกมันก็พากันตะเกียกตะกายหนีเอาตัวรอดเข้ากอภั่ไปโยมเชื่อไหมน้ำตามันไหลพลากพลากแล้วมันก็ใช้สองขาหน้าปาดน้ำตาที่คนโบราณเขาเปรียบเทียบว่าร้องไห้น้ำตาเผาเตาอาตมาพิ่งประจักษ์ตอนนั้นเองเห็นแล้วก็รู้สึกทุเรศในตาก็เลยปล่อยให้มันหนีไปพวกขี้เหล่าเข้าก็โกรธ จะเอาขาจ้างคืนอาตมาไม่ยอมคืนให้ก็เลยไปลักปลาเค็มป้ามาปิ้งให้เขากินแทนเตา่าโดนป้าด่าแหลกเลยนี่แหละกรรมที่อาตมาทําไว้ในวัยเด็กแล้วก็กําลังจะไปใช้หนี้อีกไม่กี่นาทีข้างหน้าขณะนั้นเวลาเที่ยงครึ่งรถที่ทางวัดก็วิสาวรารามส่งมรับก็รออยู่แล้วเอาละอาตมาเห็นจะต้องลา ขอให้ญาติโยมจงหมั่นเจริญกรรมฐานถ้าใครคิดถึงอาตมาก็ให้ไปปฏิบัติมากๆเอาละขอให้โชคดีมีความสุขทุกๆคนนะโยมนะรถที่มารับท่านพระครูเป็นรถสองแถวเก่าๆจะอาวาดวัดป่ามาม่วงนั่งหน้าคู่กับคนขับส่วนอุบาสกในชุดนุ่งขาวห่มขาวที่มาด้วยได้ย้ายมานั่งข้างหลังรถแล่นออกจากวาดัดตรงไปยังถนนสายเอเชีย มาถึงทางแยกเข้าจังหวัดลบบุรีคนขับจึงชิดขวาเตรียมจะเลี้ยวถนนตรงข้ามมีรถวิ่งมาหลายคันจึงต้องหยุดรอจังหวะที่จะเลี้ยวขณะนั้นรถทัวร์ของบริษัททันจิตวิ่งแซงรถคันอื่นมาด้วยความเร็วสูงถึงร้อยสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงคนขับมองไม่เห็นรถสองแถวที่เปิดไฟเลี้ยวขวาอยู่ข้างหน้า จิงชนโครมเสียงดังก้องราวกับฟ้าถลม่มร่างของภิกษุวัยห้าสิบเศษกระเด็นออกจากตัวรถในลักษณะทลาร่อนดุจเดียวกับนกที่ถูกกิงลอยละเลี้ยวไปตกบนพื้นถนนห่างจากตัวรถถึงยี่สิบวาคอหักพับลงมาถึงราวนมหนังศีรษะเปิดตั้งแต่หน้าผากถึงไทยทอย ท่านพระครูเจริญได้ชดใช้กรรมของท่านอย่างกล้าหาญที่สุดเมื่อเวลา12นาฬิกา45นาทีของวันที่14ตุลาคม2521ท่านผู้ฟังที่เคารพคะ่ะโปรดติดตามตอนต่อไปในเรื่องวัฏจักรชีวิตคะ่ะ